عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا ع د و ا ن إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ا ل ل ه ملك الحمد حتى ترضى و ل ك ا ال ل الحمد إذا رضيت و ل ك ا ل ح م د بعد رضا وشهدوا ل ل ه إله إلا الله وحده لا شريك له الأولين والآخرين و ش ه د أن نبينا محمدا عبده ورسوله อาร سله الله رحمة للعالمين وقد أدى الأمانة وبلغ ا ل ر ا ل ة ونصع الأمة وجاهر في الله ق هذي ف ج ز ا, ا, أ, ا. ل ل ه أنى وعلمتي خ ر ا زاهو نبيا عن أمتى أما بقى السلام عليكم ورحمة الله و ب ر ك ت ه ครับพี่น้องครับกลับมาพูดคุยกันในส่วนของทัปสิสุรษะอัลบาลัดนะครับผมวันนี้เราจะมาเริ่มในส่วนของอายะที่ ครับผมภายหลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วถึงคําพูดของพวกลอสซูบานฮูอาตาลาที่พรงศ์เราได้พูดถึงความเมตตาของพงค์ที่มีให้กับบ่าวของพรงศ์ด้วยกับการสร้างสิ่งสปปรรพสิ่ ง, ต, ง, งต่างๆให้กับเขาแล้วก็สร้างร่างกายให้กับเขาแล้วก็ได้นําทางพวกเขาให้รู้ว่าอันไหนคือสิ่งที่ดีอันไหนคือสิ่งที่ไม่ดีหลังจากที่พูดถึงเรื่องเนินเขาใช่ไหมครับผมเราใช้คำว่ามันเป็นเนินเขา ف ฟ ا ้อก็ไดมพูดถึงชะน้อนผ่าใหญ่ขึ้นมาครับผมในคำพูดของโฟล้อที่บอกว่าฝรั่งก م จะมาละอัก ا ว่ ر แบบว่า ل ق ต ه ะก ر มาละกบะฟักูรักบมันฟีเยื่อิ ب ดีมัซกบะยติมันดามักรบะอู م ิสกินันดามั วตْศบิَปริวตวศบิมรَมะอุลัยค ا สหับุล م َมันะ والذي بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عليهم م ُรْ ص َ د َ ة าพ่นัลทีรักยิงครับหลังจากที่เราได้พูดแล้วว่าเดนุนดิชได้แล้วเราได้ให้ทางนำแก่เขาสู่เนินทั้งสอง เราได้อธิบายไว้แล้วว่าหมายถึงเต้านมของมันดาแล้วมันก็หมายถึงเนินที่ว่าเป็นหนทางที่ว่าลาดชันขึ้นไปเพื่อที่จะเป็นหนทางที่ไปสู่ความถูกต้องแล้วก็สิ่งที่ไม่ถูกต้องมันเป็นอะไรที่ต้องยากลำบากอายะกุรานในวันนี้ครับพี่น้องที่รักครับตรงที่บอกว่าฟะละเกาะตาหามะลอักกอบะอายะที่สิบเอ็ดครับเพราะเรากล่าวว่าแล้วเขายังไม่เลือกที่จะปีนชะงนผาแล้วเขาก็ไม่ได้ปีนชะงอนผา แล้วก็ตาแห่เหมืออบางดูแล้วพี่น้องอาจจะรู้สึกงงนะครับว่าเอฟชั้นเงินผ า, าเกี่ยวอะไรบางคนอาจจะคิดภาพไม่ออกว่าชาั้นเงินผ่าคืออะไระเดี๋ยวผมเอารูปชั้นเงินผาให้ดูครับพี่น้องลองดูรูปที่ขึ้นหน้าจอนะครับชั้นเงินผาก็คือส่วนที่ว่าเป็นส่วนที่ให้ร่มเงาถ้าเกิดว่าทาง เอ่อถ้าเกิดมันอยู่ในบริเวณที่ว่าคนสัญจรไปมาเวลาร้อนๆคนก็จะเข้าไปหลบที่ใต้ร่มเงาของมันสิ่งชั้น้นผานี่ยก็อย่างที่เรารู้ครับมันก็จะมีความลาดชันสูงมากถูกไหมครับผมพระรัตนบอกว่าเขานะ่ยหมายถึงผู้ไปเสียศรัทธาเนี่ยคนที่บอกว่ารัตน์สร้างสรรพสิทธิต์ตั้งกลางให้กับเขาสร้างตาสองข้างสร้างลิมนฝีปากสองลิมนฝีปากสร้างลิ้นให้กับเขาหนึ่งลิ้นแล้วก็นําทางเขาไปสู่เนินทั้งสองเนี่ยพระรัตนบอกว่า บรรดาผู้เผยเสษสจศรานี่เขาก็จะไม่ปีนชั้น่นผาบางท่านเห็นปุ๊บอาจจะเกิดคำถามก่อนเลยว่าชั้น่นผามันปีนได้ด้วยหรืออาจารย์พี่นักที่รักยิงครับในสูร้อนี้ในสูร้อนี้ครับผมเป็นอีกหนึ่งสูร้อที่สอนให้เรารู้ว่ามุมมองของมุสลิมนั้นเป็น ผู้กลุ่มคนที่ว่ามีมุมมองที่ชัดเจนแล้วก็มีมุมมองที่ว่าแตกต่างไปจากผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมมุสลิมนั้นต้องไม่คิดเหมือนกับที่ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมคิดในเรื่องของมุมมองที่มองต่อโลกใบนี้อย่างที่ผมย้ําเป็นประจำแล้ก็อาจารย์แต่ละท่านย้ําเป็นประจำนะครับการเป็นมุสลิมนั้นคือการเลือกชีวิตที่ยากลําบากการเป็นมุสลิมคือการ เลือชีวิตที่ยากลําบากจริงอยู่ครับในอายักุรันในสุระอัลบาลัดนี้พราะเราก็ได้พูดอยู่แล้วว่ามนุษย์นั้นเราก็ได้คอยรกคนอินทรีย์ีกะบัดมนุษยะนั้นถูกสร้างมาให้มีชีวิตมีแต่ความยากลําบากเกิดมาตอนเด็กก็ลําบากโตขึ้นมาก็ลำบากลําบากไปเรื่อยลำบากลาบากลาบากแก่ตัวมาก็ลาบากขคือธรรมชาติของมนุษย์เกิดมาลําบากอยู่แล้ว แต่อย่างที่เราทราบกันครับด้วยความที่เกิดมาลำบากแต่ว่าหัวใจของเรานี่ยก็ผูกพันกับความสะดวกสบายกับความสุขกับสิ่งอะไรก็ตามที่เราอยากจะทํากับอาหารเลิกร์อะไรก็ตามที่กินโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขการเงินมือชีวิตโดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขการเสพสุขอะไรก็ตามโดยที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขนั่นคือสิ่งที่มนุษย์เรานั้นผูกพันอยู่กับมันแต่ไม่ใช่กับผู้ศรัทธาเพราะเมื่อซีมเราครับเราถูก ปลูกฝังมาพเพราะพระสุภานุวตา ร, ตราปลูกฝังเรามาว่าผู้ศรัทธานั้นคือกลุ่มคนที่เลือกชีวิตที่ยากลําบากถ้าพี่น้องตั้งเป้าหมายของชีวิตของพี่น้องอย่างชัดเจนความยากลําบากในดุนยามจะเบาบางลงถ้าเกิดเรารู้อยู่แล้วว่าฉันเกิดมาเพื่อยากลําบากพี่น้องเห็นด้วยไหมครับ เพราะบางท่านก็จะมีคำถามบางท่านก็รู้สึกว่าท้อบางท่านรู้สึกเหน็ดเหนื่อยก็เหือเกินกับการมีชีวิตกับการที่ต้องรับผิดชอบกับการที่ต้องมีอามานะกับครอบครัวกับลูกหลานกับคู่ครองกับเพื่อนกับเพื่อนบ้านกับเพือญาติกับคู่คนสารพัดบางคนบอกว่ามันเหน็ดเหนื่อยได้เกินชีวิตอาจารย์คําตอบก็คือนั่นแหละคุณมาถูกทางแล้วถ้าพี่น้องรู้สึกว่าอยู่ในดินยาแล้วเหน็ดเหนื่อยแปลว่าพี่น้องมาถูกทางแล้ว เพราะพวเล้อบ่าวพูไปเศสสทานั้นฝันละก็ตะฮามะลาอัคบะเขานั้นจะไม่เลือกชีวิตที่ยากลำบากถ้าเลือกได้เขาจะเลือกแต่ชีวิตที่สบายเขาไม่อยากลุกมาละหมาดเขาไม่อยากถือสิ้นอดเขาไม่อยากต้องจ่ายสกาดเขาไม่อยากต้องไปทำฮัจเขาไม่อยากต้องทำดีต่อพ่อแม่เขาไม่อยากจะต้องกตัญญูรู้คุณกับคนที่เคยมีบุญคุณกับเขาเขาไม่อยากทำดีกับผู้อื่นเขาไม่อยากเสียสละเขาไม่อยากหนึ่งฝันละก็ หามเอลอาบะ อ, ะอาญาณีอาญาเดียวครับพี่น้องจริงๆนะครับอาญาณี่อาญาเดียวทำให้เรารู้ถึงชีวิตของผู้ศรัทธาว่าเราเกิดมาเพื่อพบเจอกับความยากลําบากแล้วเราก็เลือกที่จะเผชิญหน้ากับความยากลําบากด้วยเราเลือกเผชิญหน้ากับความยากลําบากด้วยถ้าพี่น้องตั้งเป้าให้ชัดเจนอินชาอัลลอฮ์ความหนักของบททดสอบ ในชีวิของเราจะเบาลงครับผมขอทักทายพี่น้องนะครับคุณไฟซันสลามมาก่อนเลยนะครับก็วารีคุณสลามอัลลอฮฺบารักข้าทุเช่นเดียวกับคุณาซาดะนะครับก็บอกหลงจอกภาพสียงชัดเจนนะนี้แล้วก็วารีคุสลามัมลลอฮบรารกาุครับผมแป๊บหนึ่งนะครับเอ่อข้อความส่วนใหญ่ยังไม่ขึ้นนะครับผมงั้นราไปกันต่อราไปกันต่อ บรารักัลลอฮฟี่กลุ่มครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่ว่าเข้ามารับชมนะครับผมแล้วมาพิจรารณาดูภาพของชังงน้นยอดผาอีกทีครับพี่น้องชังงน้นยอดผาลักษณะในส่วนที่ว่าสูงชั้นที่สุดของภูเขาพี่น้องรู้ไหมครับเมื่อเราพูดถึงการที่ต้องปีนชังงน้นยอดผาถามว่าผู้คนปีนได้ไหมถ้าเกิดอย่างในรูปเนี่ยครับ บางคนอาจจะบอกปีนไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่ามันเป็นไปได้ครับแล้วมันก็มีคนที่ปีนมาแล้วด้วยครับผมในส่วนของเจงาอนภามันอาจจะดูยากมันอาจจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีอุปกรณ์ที่เพียงพอแล้วก็มีความมุ่งมั่นมีความกล้าหาญพอเราปีนได้ครับผมหมายของเมื่อพวกล้อพูดถึงคาว่ามนุษย์นั้น เขาไม่เลือกที่จะปีนชะน่อนผาที่สูงชันมันจะทำให้ผู้ศรัทธาเข้าใจได้เลยครับพพเพราะผู้รอบอกผู้ศรัทธาเราส่งเสริมเราว่าให้เรานั้นเลือกชีวิตที่ยากลำบากการที่จะเลือกชีวิตที่ยากลำบากเราต้องการอะไรบ้างพี่น้อง มันต้องมีการเตรียมใจนะพี่น้องมันต้องมีการเตรียมตัวในะการใช้ชีวิตในดุ n y าเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดมาพวกก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก็เรียนไปทํางานกินข้าวอะไรไม่ใช่โดยเฉพาะกับมุสลิมผู้ศรัท ธ, ธามันต้องใช้การเตรียมใจมากๆเหมือนกับการปีนชันงนงนผาพี่น้องอะไรคือปัจจัยแรกที่ต้องการมากที่สุดสําหรับคนที่จะปีนชันนั่งงนผาสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือความกล้าหาญครับพี่น้องพี่น้องเห็นด้วยไหมล่ะ ต่อให้เรามีความสามารถต่อให้เรามีเครื่องมือต่อให้เรามีประกอบเพียบพร้อมต่อให้มั่นใจกล้าสิบกล้าจุดเก้ปีแน่นอนแต่ถ้าไม่มีความกล้าหาญไม่มีทางปีนได้เช่นเดียวกับการดําเนินชีวิตในฐานะของผู้ศรัทธาถ้าไม่มีความกล้าหาญพี่น้องไม่สามารถเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงได้นี่คือสิ่งที่พ่อลาสบาร์ตตาต้องการจะบอกพวกเราด้วยเหมือนกับที่คุณจะปีนชงนิงวังผา คุณต้องใช้ความกล้าหาญใช่ไหมในการเป็นมุสลิมอยู่ในดุญญนยาคุณยิ่งต้องการความกล้าหาญมากกว่านั้นเพราะคุณต้องเผชิญหน้ากับคนที่เกียดคุณ เพราะคุณต้องเผชิญหน้ากับความยั่วยวนของโรคปุญยาเพราะคุณต้องเผชิญหน้ากับอารมณ์ของคุณที่มันอยากจะขี้เกียจเพราะคุณต้องเผชิญหน้ากับการเสียสละเพราะคุณต้องเผชิญหน้ากับอะไรต่างๆนานามากมายทั้งการสูญเสียทั้งบททดสอบทั้งอะไรมากมายถ้าไม่ใช่ผู้ที่กล้าหาญอย่างแท้จริงไม่ใช่ผู้ที่เข้มแข็งอย่างแท้จริงคุณปีนชายเงอนผาไม่ได้แปลว่าการจะปีนชายเงินผาต้องการความกล้าหาญแล้วก็ต้องการพลังกาลัง นี่คือเรื่อนไขที่ผู้ศรัทธาต้องมีครับในการดำเนินชีวิตปัจจุ บ, บันของเราในฐานะของมุสลิมเราต้องมีความกล้าหาญแล้วเราต้องมีความเข้มแข็งมีความมุ่งมั่นทางจิตใจว่าเมื่อเราตื่นเช้าขึ้นมาอัลลหฮุมะบิกะอัลบาห์นาเราตื่นขึ้นมาในยามเช้านั้นด้วยกับความเมตตาของอับเราพร้อมที่จะดำเนินชีวิตของเราในวันนี้ในสภาพบ่าวของพระองค์ต้องมีความเตรียมพร้อมแล้วต้องมีความกล้าหาญพี่น้องครับ ความกล้าหาญเนี่ยสิ่งที่ตรงข้ามกับความกล้าหาญคือความขี้ขาดพี่น้องรู้ไหมว่าสิ่งที่อยู่คู่กับความกล้าหาญคืออะไรคนที่มีความกล้าหาญนั้นเขาจะไม่ขี้ขาดแล้วคนที่ไม่ขี้ขาดเขาจะไม่ขี้เหนียวเพราะคนที่ขี้ขาดกับขี้เหนียวมันจะอยู่ด้วยกันพี่น้องสังเกตดูเลยไปก็ตามที่เป็นคนขี้ขาดคนคนนั้นจะต้องมีคุณลักษณะของความขี้เหนียวไม่กล้าใช้จ่าย ไม่กล้าใช้ใจ่ายเพื่ออ l l a แต่ใช้พ่ออย่างอีนะ่ะกล้าหมดแหละแมืถึงเวลาก็กลัวตายเพราะนั้นความขี้ขาดกับความขี้เหนียวมันอยู่คู่กันเพราะนั้นมุสลิมที่มีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญก็จะมีคุณในลักษณะที่สืบเนื่องกันมาน่นก็คือความใจบุญกล้าใช้ใจ่ายเพื่ออ l l a h ี่นงมันสอดคล้องกันนะมันคู่กันเลยนะ เป็นไปไม่ได้ที่พี่น้องจะพบคนกล้าหาญที่เขาไม่ใช่คนที่ใจบุญแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะพบคนขี้ขาดที่เขาเป็นคนใจบุญเป็นไปไม่ได้คนขี้ขาดต้องขี้เหนียวพี่น้องไปดูเลยมันเป็นอะไรที่มันอยู่คู่กันซึ่งทำไมต้องพูดถึงเรื่องความกล้าหาญทาไมต้องพูดถึงเรื่องของความ ใจบุญเพราะในอายกักขุนันอายะต่อมาพวกเราจะบอกว่าหนึ่งในการปีนฉ ง, งนผานั้นคือความต้องมีใจิตใจที่มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงมีความกล้าหาญอย่างแท้จริงแล้วก็ต้องมีความใจบุญมีความเมตตามีความเสียสละอย่างแท้จริงนั่นแหละถึงจะเป็นผู้ที่สามารถปีนฉ ง, งนผานได้ครับผมฝรั่งแล้วก็ตะหันมลอาควะบะฝัก็ ตาฮามลอะกบะแล้วเขาก็ไม่ได้ปีนที่เชงอ่อนผามาดูเกตเล็กเกตน้อยครับพี่น้องเมื่อพูดคําว่าอะกบะพี่น้องคุ้นคุ้นหครับในช่วงที่เราพูดคุยถึงซีรอบอดของท่านนบีมูฮัมมัดสุลล็อห์อะลัยซัลลัมก่อนที่ท่านนบีจะทำการอพยพที่ว่ามีการทําการนัดกับชาวมุฮัจิดินเพื่อที่จะมาทําการพูดคุยในเรื่องศาสนาแล้วก็มีการให้สัตยาบันสตยาบันชื่อว่าอะไรนะครับใบอะตุลอะกบะสตยาบันที่ให้นะเชงอ่นผา เพราะคนอาศรมพะโพธิติในทะเลทรายก็คือเป็นที่โล่งหมดเลยถูกไหมครับเวลาถ้าเกิดกลางวันแดดร้อนๆถ้าเกิดจะมานั่งคุยกันก็ต้องอยู่ใต้ชัน้นนวลผาเพราะมันจะมีร่มเงาหรือถ้าตอนกลางคืนครับก็อยู่ในชัน้นนวลผาเพราะมันก็ป้องกันลมเพราะว่าใบาอ้าเนี่ยให้ขึ้นตอนช่วงกาลางคืนถูกไหมครับผมเป็นการป้องกันลมแล้วก็ป้องกันสายตาของผู้คนด้วยอ่านหนังสืออักบารที่ว่าพวกเราแต่ละคนน่าจะคุ้นเคยกันเพราะฉะนั้น ผู้ที่ไม่ปีนเชงอ่อนผาเขาคือบุคคลที่อ่อนแอเพราะนักมุสลิมที่กลัวความยากลําบากคือมุสลิมที่อ่อนแอคือมุสลิมที่ไม่กล้าประกาศตนว่าเป็นมุสลิมคือผู้ที่ไม่สามารถไม่กล้าที่จะจอดรถข้างทางเวลาถึงเวลาแล้วก็ปูผ้าละหมาดในที่ที่มิชิดหน่อยในที่ที่ไม่สร้างภาระกับใครแล้วก็ละหมาดเขาไม่กล้าเขาอายเขาไม่กล้าประกาศบอกให้ใครรู้เพราะนั้นการเป็นมุสลิม ต้องเป็นผู้ที่กล้าหาญเท่านั้นพี่น้องตั้งโจทย์ไว้เลยวันนี้ที่เราได้พูดคุยกันในสุรตุลบาลัด ท, ที่พระเจ้าสุบฮานุวาตาลานั้นมุสลิมนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญต้องเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ใจบุญทั้งหมดสอดค้องกันทั้งหมดสอดค้องกันย้ํานะคนที่อ่อนแอ คือผู้ที่ไม่มีความกล้าหาญแล้วก็คือผู้ที่ขี้เหนียวคนพวกนี้ไม่มีทางที่จะปีนฉนอนผาได้ต่อให้เขามีพละงกำลังมากแค่ไหนก็ตามเพราะเขาไม่ใช่คนที่เข้มแข็งในความหมายที่แท้จริงของความเข้มแข็งคือไม่ใช่มีแค่พลังกาลังแต่ต้องมีความกล้าหาญด้วยพี่น้องที่รักครับมุสลิมเราถูกสอนให้มีแต่ความกล้าหาญ แม้แต่ท่ามการอาวุธแม้แต่ท่ามการสงครามพวกลอสั่งเราว่าไงครับให้เราต้องละหมาดถูกไหมครับฮาฟิดูอลสลาวะติวัลสลัติลุสซาวกุมลิลลาอิการิติน فإن خفتون فرجالا أو ر ม ا ن ا فإذا آمنتون فاسكر الله كمالا لما ك م ا ل ا ม تقولو تاء ل ا มูนในสวบัตกราครับพวกเรจ่กว่าจงรักษาการละหมาดบางท่านบอกรักษาการละหมาดกล้าหาญตรงไหนกล้าหาญตรงไหน โพล้อผู้ต่อครับจงรักษาการละหมาด ท, ทั้งหลายโดยเฉพาะการละหมาด ท, ที่อยู่ตรงกลางซึ่งเลขาการสดเลยนะครับซีตัวใหญ่บอกว่าเป็นละหมาดอัสรีเพราะเป็นเวลาที่คนนั้นเพิกเฉยกับมันไม่มีเวลาให้กับมันมากที่สุดวกูมูลีลากรีตีจงดํารงตนเพื่ออัลลอฮ์จงยินหยอมเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงฟาอิมคิฟตุมหากพวกเจ้ามีความกลัว คนกล้าหาญก็มีความกลัวเก่งได้ครับกลัวว่ามันจะเกิดอย่างนี้กลัวว่ามันจะเกิดอย่างนี้แล้วป้องกันตนเพราะว่าบอกว่าหากเจ้ามีความกลัวว่าถ้าละหมาดเฉยๆจะประสบกับอันตรายก็ให้พวกเจ้าเดินละหมาดเดินละหมาดได้หรือละหมาดบนพาหนะก็ได้แปลว่าไงครับขนาดมีความหวั่นกลัวมุสลิมยังไม่ทิ้งการละหมาดนี่คือความกล้าหาญที่แท้จริงถูกไหมล่ะครับพี่น้องตอนที่ ก่อนจะมีการทำสันติสัญญาสุลูหุไเบียตอนที่ท่านน บ, บีมูฮัมมัดสโลฮาวะเวอสัลัมฝันเห็นว่าจะได้ทําการอุ้มร้อนท่านเตรียมซอบ้าไปทําการอุ้มร้อนพอถึงเวลาครับพวกกูฟาตเมื่อเชร์กินเตรียมกองทัพมาให้ท่านอุมัดมาตั้งกองทัพกา้นไว้ที่ถนนเส้นหลักเลยบรรดาซอบ้าก็ตั้งเชิงตั้งกลุ่มตั้งเชิงมองอยู่อยู่แต่เมื่อถึงเวลาละหมาดปุ๊บพวกท่านก็ละหมาดกันเลย ทั้งๆที่ทเผชิญหน้ากับศัตรูคือพร้อมแล้วว่ามันจะมีการเริ่มเมื่อไหร่ถ้ามีส่งสัญญาณปุ๊บก็เริ่มสงครามทันทีแต่ก็ยังละหมาดเพรา ะ, ะนั้นผมก็เลยบอกว่ามุสลิมเราไม่ผิดที่เราจะกลัวไม่ผิดที่เราจะมีความรู้สึกหวาดกลัวมันจะเป็นอันตรายไหมเป็น่างั้นจะอันตรายไหมแต่เมื่อถึงเวลาภัยมาเราพร้อมทันที มั่นคือความกล้าหาญอย่างแท้จริงไม่ใช่บอกคนกล้าหาญจะไม่มีความกลัวบอกอะไรจะบอกอาจารย์ฉันกลัวนั่นฉันกลัวนี่ความกลัวเป็นพื้นฐานของมนุษย์เพียงแต่ว่าผู้ที่กล้าหาญเขาจะไม่เอาความกลัวมาเป็นอุปสรรคในการทําสิ่งที่เขาต้องทําอยาเมื่อพี่น้องไม่ผิดที่เราจะกลัวในวุญญาณในเรามีสิ่งต่างๆที่เรากลัวมากมายเราถูกสร้างมาเป็นอย่างนั้นว่าเป็นพิตนาของเรา แต่ผู้ที่กล้าหารผู้ที่เข้มแข็งสำหรับพวงล้อคือผู้ที่ไม่ปล่อยให้ความกลัวของเขามาเป็นสิ่งที่ห้ามเขาจากการที่เขาต้องทำสิ่งที่ต้องทำาลัวศัตรูก็กลัวเพราะมันต้องสู้รบไงเขาจะมาสู้ในที่เราไม่ทันตั้งตัวมันก็ต้องมีความกลัวแต่ในขะนแหละกระดานถ้าถึงเวลาละหมาดก็พร้อมละหมาดเพื่ออวโลกนี่คือผู้ที่เลือกทางเดินที่ยากลาบากนี่คือผู้ที่เลือกที่จะปีน ชะ ง, ง่นผาครับพี่น้องว่ ล, ล้ก็จะหามันละอ้ากอบนานฝรั่งเขากแล้วไงครับเพราสุรุลลอฮฺจะมาอัน ล, ล้มากุมมาลำตะกูลอัตตะมุนจงคิดถึงอัลลอฮ์ให้มากสิเหมือนกับที่อัลลอฮ์นั้นสอนเจ้าให้รู้ในสิ่งที่เจ้าไม่รู้เราไม่รู้ว่าการเลนชีวิตเป็นอย่างไรเราไม่รู้บททดสอบของชีวิตเป็นอย่างไรเราไม่รู้ว่าเราจะถูกทดสอบอะไรบ้างแต่พระอัลลอฮ์ได้สอนให้เรารู้สิ่งต่างๆอัลลอฮ์ Allah ได้ให้เรานั้นมีประสบการณ์อัลลอฮ์จะให้เรานั้น ได้รับรู้สิ่งที่ดีงามต่างๆมากมายทําไมจะไม่คิดถึงอัลลอฮ์ทำไมจะไม่ขอบคุณอัลลอฮ์หรือมีเหตุอะไรห้ามจากการละเมิดสิงอัลลอฮ์กัวเหรอขนาดกลัวยิ่งต้องคิดถึงอัลลอฮ์มีความสุขเหรอยิ่งมีความสุขเราต้องยิ่งคิดถึงอัลลอฮ์มีเวลาไหนบ้างที่จะไม่คิดถึงอัลลอฮ์ล่ะครับสำหรับผู้ศรัทธาที่แท้จริงเขาจะคิดถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาซึ่งเขาคิดถึงอัลลอฮ์ ทุกเขาคิดถึงอัลลอฮ์ยากลำบากเขาคิดถึงอัลลอฮ์มีความกลัวเขาก็คิดถึงอัลลอฮ์นี่คือผู้ที่กล้าหานอย่างแท้จริงครับพี่น้องความกล้าหานไม่ใช่ว่าพลังกาลังมากมายความกล้าหานไม่ใช่ว่มีทรัพย์สินมากมายความกล้าหานไม่ใช่ว่ามีเกียรติยอะความกล้าหานไม่ใช่ว่าผู้คนนับหน้าถือตาแต่ความกล้าหานคือการที่เรากล้ายืนหยัดอยู่บนสัลธรรมท่ามกลางสถานการณ์ที่วิกฤตต่างหากนั่นแหละครับที่เรียกว่า ความแก้าหาอย่างแท้จริงวะราะก า, ะ อ, อ, ก า, าอิซุอังฟานชะินิอัตคาบะยาอายุหลดีนะมนุอิดะกีตุมุลละดีนกะฟรูซะเฟะฟวะลาตุวัลลูหุมุลอดเบร์สัตตาชนทั้งหลายหากพวกเจ้าได้เผชิญหน้ากับศัตรูของเจ้าแบบประจัญบานพร้อมต่อสู้รบกันแล้ววะลาตุวัน ล, ลูเจ้าจงอย่าได้ผิอย่าได้หันหลังของเจ้าให้พวกเขาเห็น อย่าได้หันหลังของพวกเจ้าให้พวกเขาเห็นใครคือคนที่หันหลังให้ศัตรูคนที่มีความขี้ขาดนี่พี่น้องคนที่มีความขาดกลือไงแบบมูนาฟิกในช่วงสงคารามต่างๆก็เพ่นก่อนหาจังหวะนี้ได้ก็หนีก่อนบางคนก็บอกว่าหากเราไม่มากับคุณแล้วก็คงไม่ตายแบบนี้มากคตินนะหาหาฮูนาล้วก็คงไม่ตายอย่างนี้พเพราะว่าบอกไงครับพูดฟัตดราอูอังอังฟุสกุมูลมาอุถ้าคุณคิด อย่างนั้นน่ยถ้าคุณคิดว่าถ้าเป็นมุ en, มสลิมถ้าไม่เป็นม斯林ขอ mark ถ้าคุณคิดว่าถ้าไม่เป็นุ穆斯มก็คงไม่ต้องตายแบบนี้พวกเราบอกว่างั้นก็อย่าตายให้ดูสิทําได้ไหมละ่ะยังไงก็ต้องตายใช่ไหมถ้ายังไงก็ต้องตายถ้าชีวิตนี้ยังไงมันก็ต้องลําบากทําไมไม่ทําใจเลยว่าเราจ ะ, ะเผชิญหน้ากับความยากลําบากเลยเราจะขอมีชีวิตอยู่อย่างยากลําบากเลยพเพื่ออะไรครับเ พ, พื่อที่เราจะได้รับการตอบแทนอย่างเป็นเม็ดเต็มหน่วยจากนายที่รักเราอย่างแท้จริง Jahal Rahman, Jahal Khalid, Jahal Jabbar, Jahal Malik y a w m i d i n Jadi, insya Allah, mereka mufurkuna. Jadi, لَقَدَ خَلَقْنَا إِنسَانَ لَنْ كَفِي لَوْ بُرْحُ لَقَدَ خَلَقْنَا إِنسَانَ فِي كَبَرَةٍ لَنْ تُصَاعَ مَا يَأْكُلُ بَلْمَبَكَ. Mereka tahu sudah bahawa a n g a l k a ต้องยากลําบากแล้วพวกเราก็ได้พูดถึงคุณลักษณะของผู้เผยเศร็ทตาบอกว่าฝลั่งกตะหามะลากบะพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ยึดเอาหนทางที่ยากลําบากก็แปลว่าพี่น้องเตรียมใจไว้ตั้งใจตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนมีความมุ่งมั่นให้ชัดเจนว่าเราจะขอเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่จะปีนฉนงนผาเราเตรียมใจให้พร้อมเราสร้างความเข้มแข็งให้กับจิตใจเราสร้างความมุ่งมั่นให้กับอ إ ي م านของพวกเรานั่นคือ เงียบขายครับผมเราถูกสั่งใช้ให้ต้องมีความกล้าหาญแล้วอย่างที่บอกครับหนึ่งในความกล้าหาญหนึ่งที่แสดงถึงความกล้าหาญก็คือการที่เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเราสามารถใช้จ่ายเพื่ออัลลอฮ์ได้อิสลามไม่ได้สอนให้เราใช้จ่ายทั้งหมดผมใช้คําว่าใช้จ่ายนะพี่น้องไม่ได้ใช้คําว่าบริจาคคําว่าใช้จ่ายครอบคุมหมดเลย ทั้งเรื่องของบริการบริจาคทั้งเรื่องของการ จ, จ่ายสกาดที่เป็นภาคก อ, อายิบทั้งเรื่องของการที่ต้องให้กับลูกหลานให้กับครอบครัวให้กับเขื่อญาติคนบางคนเติร์นหนีทีเหนียวสุดๆกับครอบครัวของตนแต่ถึงเวลาไปเ ป, ป, ปสิ่งที่ฮารอนจะเปได้แบบเต็มที่อันนี้เรียกว่าคนขี้ขาดเรียกว่าคนขี้ขาดเพราถึงเวลาต้องจ่ายในสิ่งที่ตัวเองต้องจ่ายไม่กล้าจ่าย เพราะนั้นหนึ่งในสิ่งที่แสดงถึงความกสหาคืออะไรครับต้องเป็นผู้ที่สามารถใช้จ่ายในที่ที่มันต้องจ่ายได้มีความมั่งมีมีความเด็ดขาดเพราะว่าเกี่ยวอย่างไรครับ พวเศร้า f o r y a r d เพราะว่าที่แจไว้ครับว่าไงครับว่าอันเดอร์ตู้กุ้ม น, นารัตลาฉันขอเตือนพวกเจ้าเลยฉันคือใครพวกลอสซูบาฮาเนฮัวตาแหละพวกเราบอกว่าฉันขอเตือนพวกเจ้าถึงไฟนรกที่มันลุกโชนลุกมีไฟแลบออกมาจากส่วนของของนรกเพกกียงจินการความร้อนแล้วมีเปลวไฟผวยพุ่งออกมา น่ารัแต่ล ร, ราบอกผู้รับบอกฉันขอเตือนพวกเจ้าถึงไฟนรกพี่น้องใครเตือนผู้ที่สร้างไฟใครเป็นคนเตือนเจ้าของไฟใครเป็นคนเตือนใครเป็นผู้ที่เตือนเขาคือบุคคลที่รู้ดีว่าอะไรคือความทรมานที่สุดของมนุษยชาติพวกเราได้เตือนด้วยตัวของพวกเเองรือว่าฉันขอเตือนพวกเจ้าถึงไฟนรกที่มันลุกโชนพวกเจ้าไม่มีใครทนได้หรอก ไม่มีใครทนได้แต่มันต้องอยู่อยู่แบบทนไม่ได้พี่น้องคิดอยู่พี่น้องจินตนาการออกไหมละ่ะพระสิทไทยเขาบอกว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากคือบางทีสถานที่ยากลาบากถ้าเราใจอยู่ได้มันก็อยู่ได้แต่พี่น้องจินตนาการออกไหมละ่ะถึงที่ที่มันอยู่ไม่ได้จริงๆแต่ว่ามันต้องอยู่ f อันเดอร์ตูคุม น, นาลันตาลาเลยสลาฮิเลลัสกอบพวกเราบอกว่าจะ ม, มีใครได้เข้าไปอยู่ในนั้นนอกจากคนที่ชั่วร้ายที่สุด คนที่เลวร้ายที่สุดเขาคือใครอัลเลดีกาจาเบวตะวันละเขาคือคนที่ได้แต่บอกว่าสิ่งที่เป็นความจริงนั้นเป็นเรื่องโกหกปฏิเสธความจริงไอ้นี่มันโกหกไอ้นี่มันเรื่องโกห ก, หนน ก, หกในโลกน่ะไม่มีจริงสวรรค์ไม่มีจริงพระเจ้าไม่มีจริงพระเจ้าไม่เคยส่งศาสนทูตมาศาสนาทูตไม่มีจริงมารดกไม่มีจริงปฏิเสธอย่างเดียวอัลเลดิกาจาเบไม่ใช่แคปะะ่ปฏิเสธวัตวันละปฏิเสธเสร็จปุ๊บแล้วก็หนีไปเลยปฏิเสธแล้วก็ ม น, นันทอนดบและทหลและจะนีหลอพวกเราบอกว่าได้กล่าวไว้ว่าแต่ผู้ที่มีความตักกว่าความสำรวมตนอย่างแท้จริงต่อรนั้นเขาจะทำตัวออกห่างจากไปนรกพี่น้องถ้าเกิดเจอไฟร้อนๆพี่น้องทำไงเดินออกถูกไหมครับเดินหลบบอกมา ถ้าไฟมันอยู่ข้างหน้ามันร้อนมันเริ่มจะเผาหน้าพี่น้องแล้วพี่น้องจะอยู่กับที่ไหมล่ะหนีสิตัวเราบอกว่าผู้ที่สำรวมตนต่อเลาอย่างแท้จริงผู้ที่รักอันแล้วผู้ที่กลัวอันแล้วผู้ที่หวังความเมตตาจากอันแล้วรักกลัวหวังเขาจะทําตัวให้ออกห่างจากไฟนรกนั้นทำยังไงครับอัลลอยุตีมาละหูยาตาซักจาเขาคือผู้ที่ว่าใช้จ่ายทรัพย์สินของเขา เพื่อขัดเกลีจิตใจของเขามานกกะกอเสมาลินซอรกอตินท่านบีมอร์มาสโลลอยแสดงบอกว่าทรัพย์สินที่ใช้จ่ายเพื่อล้อนั้นจะไม่มีทางลดน้อยลงไปแล้วในยกักกาดนี้เมื่อเพื่อล้พอลพูดถึงคนที่ตักวาอย่างแท้จริงคนที่มีความสมเอวนตนต่อล้ออย่างแท้จริงพวกอล้อใช้คําว่าเขาคือผู้ที่ใช้จ่ายแล้วก็ให้การใช้จ่ายนั้นมาขัดเกลาจิตใจของเขา มาขัดเกลาตัวตนของเขามาขัดเกลาวิญญาณของเขามาขัดเกลีอีหมายของเขาแปลว่าอะไรรู้ไหมครับพี่น้องแปลว่าการใช้จ่ายทรัพย์สินของพวกเราซึ่งพวกเราแต่ละคนโดยปกติในยุคนี้ทุกวันเราต้องมีการใช้จ่ายถูกไหมครับไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจทุกวันตื่นมาต้องเตรียมใช้จ่ายละใช้จ่ายในรูปแบบของทรัพย์สินใช้จ่ายในรูปแบบของสิ่งของใช้จ่ายในรูปแบบของอาหารที่บริโภคเข้าไป จากอายะครานที่พูดมาหมายความว่าในการใช้จ่ายเนี่ยมันมีการใช้จ่ายที่เพิ่มอีมานแล้วก็แน่นอนมันก็มีการใช้จ่ายที่ลดอีมานการซื้อของที่ฮารอมการเอาทรัพย์สินที่ฮารอมไปใช้บริโภคในรูปแบบที่ฮารอมทุกอย่างมันทำให้จิตใจต่ำต้อยทุกอย่างทำให้จิตใจ ตกต่ำเหมือนกับคนที่ว่าถ้าเกิดจะบริจาคอาจจะเป็นค่าน้ำเข้าไปให้กับมัสยิดหนึบาท2บาทนี่ก็คิดแล้วคิดอีกแต่เวลาถ้าเกิดจะไปเข้าห้างเวลาจะไปซ้าสิ่งที่เราบางทีร้อยพันจ่ายได้ยิ่งยุกสมัยนี้ครับยิ่งมีในยุคของเรื่องของสื่ออใบยมุขแบบเยอะแยะเลยอย่างสื่อสังคมออนไลน์อย่างที่พี่น้องหลายท่านน่าจะรู้มันก็มีในเรื่องสื่อที่รูปแบบที่ว่าต้องมีการใช้เงินแล้วถึงจะสามารถเข้าไปเสพสื่อพวกนั้นได้ แต่ จ, จะตามเว็บตามอะไรผมคงไม่ต้องพูดชื่อหลายท่านน่าจะรู้ชื่ออาจจะมีหลายๆชื่อที่ผุดขึ้นมาในหัวที่่าเป็นสิ่งที่ว่าต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะได้เสพสุขสิ่งที่หารอมจ่ายเงินบางทีไม่ใช่น้อยนะพี่น้องหลักร้อยหลักพันบางคนสายเปหลักหมื่นสามารถจ่ายได้นั่นหมายความว่าการใช้จ่ายตรงนั้นมันทําให้อิมานของเขาตกต่า มันทําให้ตัวตนของเขาตกต่ํามันไม่ได้เพิ่มอีมานให้กับเขาแต่มันทําให้เกิดความอับปายตุ่นกับเขามากขึ้นมากขึ้นทําให้หวัวใจของเขาแปดขึ้นแปดเปื่อนมากขึ้นมากขึ้นโดยที่เขาเองก็ไม่ได้สำเนีกเลยโดยที่เขาเองก็ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าเขากําลังตกต่ําด้วยกับการใช้จ่ายที่เขาใช้จ่ายอยู่นั้นนาอูริบินลายมินซาลิกอัลลาฮยุติมาละหุยะตัดักยา เดี๋ยวเมื่อถึงเราคงจะได้พูดคุยอาย่านี้อย่างละเอียดอีกทีนึงอินชาอัลลอฮ์ตอนนี้เรากลับมาในส่วนของสุลตุลบาลัดต่อฟาลักกตฮามะละอ ก, ะะะกะบานจากอาย่านี้เราได้ข้อสรุปว่าบรรดาผู้ไปเสดสัตหานั้นเขาจะเป็นกลุ่มคนที่อ่อนแอแล้วเขาก็จะเป็นกลุ่มคนที่ขี้คาบแล้วก็จะเป็นกลุ่มคนที่แกล้งหนีขี้เหนียวเพราะเขาจะไม่เลือกหนทางที่ ต้องปีชังนลอนผ่าขึ้นไปแต่มุสลิมเราถูกปลูกฝังถูกสอนว่าเราเกิดมาเพื่อความยากลําบากอยู่แล้วแล้วเราเองก็เลือกเดินหนทางที่ยากลําบากเราไม่ใช่ซาดิปเราไม่ใช่คนแบบว่าโอ้ฉันอยากทรมานฉันละหมาดอยากละหมาดกั ก, กตกังตากแดดหรือว่าถือสิ่งเฉันถือสิ่งเหลติดต่อกันเป็นเดือนฉันชอบทรมานไม่ใช่เพียงแต่การจะเป็นคนดีแค่พี่น้องจะเป็นคนดีในสังคมปัจจุบนันมันก็เป็นชัน้นอนผ่าให้ปีแล้วถูกไหมครับ ท่านนบีมูฮัมมัดสโลลอนสลัมบอกว่าไงครับช่วงแก้วันเกียร์มาเนี่ยคนที่อยากจะรักษาศาสนาของเขาเนี่ยการรักษาศาสนาเหมือนกันรักษาทรัพย์สินพี่น้องจะรักษาทรัพย์สินพี่น้องต้องจับมันไว้ถูกไหมรักษาไว้ ไม่ให้มันหายไปการรักษาศาสนาก็เหมือนการรักษาทรัพย์สินคือต้องจับเอาไว้ท่านนาบีมุฮัมมัดสุสลตานีสัลามบอกว่าช่วงเกวันซินโลกเนี่ยคนที่จะรักษาศาสนาของเขาเนี่ยมันจะเหมือนกับคนที่ต้องกำถ่านร้อนๆพี่น้องที่ดูอยากจะรักษาไว้แต่มันร้อนมากๆถ้าปล่อยมันก็ตกเสียศาสนาจับไว้มันก็ร้อนมันก็ทรมานเป็นมุสติมถามวัานายี้ปัจจุบันเนี่ยสบายไหมมันไม่ใช่เรื่องสบายเลยนะแค่ดูในสังคมที่ว่าเขาเสพสุกเต็มที่ ครอบครัวนั้นเป็นมุสลิมแต่เลือกทิ้งการเป็นมุส oh, oh, ลิมอวลดรอให้รวยเอารวยเอาบ้านใหญ่โตผลนับหน้าถือตาดูมีเกียรติยศมีแต่ของดีๆใช้มีตัวกถหรูๆรับทดสอบไหมละ่ะทดสอบเช้ามาตั้งลุกมาตั้งแต่เช้าเพื่ออะไรเพื่อละหมาดทดสอบไหมทดสอบถึงเวลาต้องละหมาดถึงเวลาต้องละหมาดถึงเวลาต้องละหมาดวันหนึ่งต้องละหมาดหาเวลา ฐานร้อนไหมยิ่งปัจจุบันยิ่งเป็นฐานร้อนฉันติดงานฉันทําอย่า ง, งนี้ฉันติดหนังฉันติดบอลฉันติดผู้หญิงฉันติดสารพัดเทียติดไม่ติดแต่เดียวก็คือบัลลังก์ไม่ติดกับบัลลังก์อสักหลุดหรอติดโดยทุกอย่างยกเว้นหัวใจไม่สามารถผูกพันกับบัลลังก์ได้อเลดิยูติมาลุยเดสเกะเพราะนั้นผู้ที่เป็นผู้ศรัทธานั้นคือ บุคคลที่รู้ว่าต้องเจอกับความยากลำบากแล้วก็พร้อมเลือกหนทางที่ยากลำบากหากว่าหนทางนั้นจะทำให้เอาะรักเรานี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเราไม่ได้ซาดิสเราไม่ได้ปรารถนาความทรมานใครๆก็อยากสบายผมก็อยากสบายพี่น้องผมก็อยากกินแต่ของอร่อยผมก็อยากไปเที่ยวที่รู้ๆผมก็ถ้าพูดถึงความอยากพี่น้องมันขุดมาเมหมดหรอกพี่น้องมันเยอะไปหมดแต่เมื่อเรา เลือกเป็นมุสลิมเองเลือกเป็นมุสลิมเองนะไม่ใช่คนอื่นเดียวจะให้เป็นนะเมื่อเราเลือกเป็นมุสลิมแล้วแปลว่าเราเลือกยอมรับแล้วว่าเราจะเลือกหนทางที่ยากลําบากนี้เพื่อให้อัลลอฮ์พอใจเราเพื่อให้อัลลอฮ์สุบฮานูร์ตาพอใจเราครับอ่าไอ้ดินยานะครับเข้ามาสลามนะครับก็วาริคุมิสลามอร๊าบุลลอห์วะบารักาตุนะครับผม คงคูระวีสลามานะครับวกุสลาตุลอวบรักาตุแล้วก็นิววันีนะครับก็บอกการทำดีรักกรุงเทพชัดเจนการทำดครับผมคุณฮัชนสัมโซนะครับสลามาบอกสุชัดเจนวากุลสลามตุลอวบรกาตุจะคุณลอครับกับคุณอนิสลานะครับผม สลับมานะครับบอกกระทำดีแล้วก็วาลิฟิสแรมวารามตุวเลาะว่บาบารักาตัครับขอให้เป็นเช้าที่ดีของพี่น้องที่รักทุกท่านเป็นเช้าที่ว่าเราพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับบททดสอบของพวกเราแล้วก็บททดสอบใดที่มันหนักหนาะก็ขอรอให้มันง่ายได้สำหรับเราขอให้แต่ลนะท่านนั้นผ่านพ้นมันไปได้อย่างง่ายด้ยันสรุปผู้ศรัทธาต้องเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งผู้ศรัทธาต้องเป็นผู้ที่มีความ ก้าหาญผู้ศรัทธาต้องเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและผู้ศรัทธาต้องไม่ใช่ผู้ที่ขี้ขาดหรือว่าขี้เหนียวนี่คือสิ่งที่เราได้รับจากอายะที่ว่าฟาละเกาตะหมัอักบะพี่น้องที่รักครับภายหลังจากที่พู้รัสุบฮานุฮวาตาลาได้บอกว่าฟาละกาต m a ามัอัลอกบเขาไม่เลือกไม่ได้เลือกการที่จะต้องปีนที่ฉนอนผา วามาอัดรอกัลอากบะเราบอกว่าวามาอัดรอกะแล้วเจ้ารู้ไหมเจ้ารู้ไหมว่าอะไรคือช่งเงนผาอะไรคืออักบะพี่น้องครับในอัลกุรอานถ้าพี่น้องสังเกตดูพี่น้องจะเจอคว่าวามาอัดรอกะกับวมายุดรีกะคุ้นๆไหมครับวมาอัดรอกะกับวมายุดรีกะ พี่น้องเข้าใจง่ายๆเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอคําว่าวามาอัดดรอก่เจ้ารู้ไหมแปลว่าพวกเราจะบอกเราแน่นอนว่ามันคืออะไรคือพี่น้องไปดูได้เลยเมื่อไหรก็ตามที่เจอวามาอัดดรอก่แปลว่าหลังจากนั้นพวกเราจะอธิบายให้เราเข้าใจคือเราฟังแล้วเราไม่เข้าใจใช่ไหมอัลลอฮ์จะอธิบายให้เข้าใจวามาอัดดรอก่วามาอัดดรอแก่มายถึงอะแต่ถ้าเมื่อไร่ก็ตามที่เจอคําว่าวามายุดเดรีก่ เจ้าไม่ได้รู้หรอกเจ้าไม่ได้รู้หรอกหมายถึงเป็นสิ่งที่พู้อ่อนล้าจะไม่อธิบายให้รู้ถึงข้อเท็จจริงของมันเจ้าจะยังไม่รู้ไปจนกว่าจะถึงเวลาที่อ่อนล้าต้องการเรามาดูตัวอย่างในยกักษุหลานครับซึ่งเราจะพบว่าทุกครั้งที่ใช้คาร์โมอัลเดโรกามันมีพลิ้งมายอยู่อย่างเช่นถ้าเราดูอัดเดลอกาในกุหลาบนะครับจะมีทั้งหมด13ที่ จะมี13พี่แนวกว้างที่ใช้คําว่ามาอดรกาส่วนคําว่ามายุดเดรีกจะมี3มที่สิ่งที่พวกเราบอกแล้วเจ้าไม่รู้หรอกเจ้าไม่รู้หรอกมี3าที่ส่วนสิ่งที่พวกเราบอกไม่รู้เหรอเดี๋ยวข้าจะที่บายให้มีอยู่13ที่เรามาดูมายุดเดรีก้าก่อนสิ่งที่เราไม่รู้ข้อท็่จริงของมันแน่นอนมี3ามที่ใช่ไหมครับในวะกุรานครับเช่นในสุระอัจจะกับสุระชูรอ สุระอา์ซับกับสุระชูรอใช้คำนวนเดียวกันเลยว่าว่ามายุดริกะละเลสะจะต้องกิดใกล้บล่เจ้าไม่มีทางรู้หรอกบางทีวันสิ้นโลกนั้นมันอาจจะใกล้เข้ามาเต็มที่แล้วเจ้าไม่มีทางรู้ท่านอับดุลโมฮัมหมัดสุลตานไทรซัลท่านก็ไม่รู้ว่ามันเก ม, มเกิดขึ้นเมื่อไหรแต่ท่านรู้ว่ามันกำเกิดขึ้นเหมือนกับพวกเราท่านอับดุลโมฮัมหมัดสุลตานกับพวกเราเป็นมนุษย์ปุติชนเหมือนกันเราไม่รู้อีเมืองเย็ ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหรวันเกี่ยวมัดจะเกิดขึ้นซึ่งท่านนบีมูฮัมมัดสุลต่านก็บอกเอกจำได้ไหมครับตอนท่ทานชิบลินมาหาท่านนบีมาสอนอิสลามให้พวกเรารู้ท่านชิบลินถามนบีว่าไครับมตาตซาน์เมื่อไหรโลกจะดับสุดเมื่อไหรจะเกิดวันสิ้นโลกท่านนบีมูฮัมมัดสุลต่านตอบว่าไม่มามสู่ละอันหุบีอลัลมิ น, สนัสซัยนผมที่เป็นคนที่ถูกถามเนี่ยก็ไม่ได้รู้มากไปกว่าคุณที่เป็นคนที่ถาม แปลว่าท mm ่านนบีมุฮัมมัดสลลฮฺในศาสนาอิสลามก็ไม่รู้พวกเราไม่ให้ท่านรู้แม้แต่กระทั่งท่านจิบรีนเองก็ไม่รู้เช่นเดียวกันคือไม่ใช่คําถามลองคูนท่านจิบบรีนก็ไม่รู้ท่านนบีมุฮัมัดสลลฮฺในศาสนาอิสลามก็ไม่รู้เพราะนั่นใครอ้างว่าตัวเองรู้เขาโกหกแล้วเขาโกหกแล้วไม่กาเฟตก็เป็นมูนาฟิสอย่างนี้อย่างใดเมย์ก็เป็นคนโง่วยังวัวมายุดดีแกะวพล้อพูดทําไมพโพล้อถึงไม่บอกให้รู้ครับอีกแม่มากมายมหาศาลครับ เป็นการเตนสติเป็นการทดสอบ إ ม م ا ن เป็ น, เ ป, นเป็นในสารพัดเหมือนกับว่าสมมติถ้าพวกเราบอกว่าวันสิ้นโลกมันมีจริงนะมันใกล้เข้ามาแล้วนะถ้าพวกเราบอกให้กับบรรดาซาร์บ้าพันกว่าปีที่แล้วถ้าพวกเราบอกว่าอีก 2,000 ปีจะเกิดวันสิ้นโลกถ้าเป็นพวกมูนาฟิกหรือคนที่หัวใจเป็นโรคเขาคงบอกว่าโอ้มันไม่ใช่ยุคฉันฉันก็อยู่สบายๆฉันก็ไม่ต้องกลัวอะไร แต่เมื่อแกงที่มีพวกล้อๆไม่บอกว่ามันเกิดที่เมื่อไรแต่พวกนั้ใช้คาว่ามันใกล้เข้ามาเพราะถ้าเทียบกับอายุขของดุนยาซึ่งเราไม่รู้ว่ามันกี่ล้านปีแล้วถูกไหมครับไม่มีใครรู้ว่าอายุของดุนยามันกี่ล้านล้านปีถ้าเทียบกับวันเกียร์มะวันซิลกที่มันกําลังจะเกิดนับจากยุคเชนล บ, บีโมมาซาโลลองอาริสแลมคือพันสะี1400่ร้อยกว่าปีเนี่ยพันสกว่าปีเทียบกับเป็นล้านล้านปีมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซุนฟลอได้กล่าวไว้ครับกอันนุมยไม่เรานะฮาละมัลบาสูอิลอาชียะตันอุดุฮาฮเมื่อถึงเวลาที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับมนุษย์ทุกคนจะรู้สึกเลยว่าชีวิตในดุนยามันก็เหมือนเป็นเพียงแค่ช่วงบ่ายหรือว่าช่วงสายที่มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆแค่นั้นเอง คือพอเกิดขึ้นปุ๊บมุมมองตอนนั้นของเราจะรู้สึกเลยว่าชีวิตวิญญามันแค่สั้นทําไมฉันไม่เลือกความยากลําบากทําไมฉันมัวแต่ห่วสบายทําไมฉันละทิ้งการทําอิบาระทําไมฉันทำแต่มาสียะเมื่อถึงเวลาเราเนี่ยนี่พี่น้องนะอุสบิลามีตาลิกเราแต่ละคนจะมานั่งเสียดายว่าทําไมเราไม่ทุ่มเทกับการปีนฉันว่านผาให้มากกว่านี้ทําไมเรากลัวทําไมเราโมแต่ตีโพลตีพายทําไมเราโมแต่นั่งเครียดทาไมเราโมแต่ เียเรื่องไม่เป็นเรื่องพี่น้องที่รักโดยเฉพาะวไวรุ่นผมไม่ได้พูดชี้ช่องทางให้ทําฮารอมนะผมไม่ได้พูดชี้ช่องทางให้ทํามารอมผมเคียงแต่จะบอกว่าตอนเนี้เรามัวแต่ห่วงเรื่องไม่เป็นเรื่องมากมายเลยเกินในชีวิตของเราอย่างไวรุ่นครับคนบางคนแค่เป็นห่วงในเรื่องของการจะมีแฟนชีวิตฉจะมีแฟนมฉันห่วงเรื่องผู้หญิงฉันห่วงอย่า ง, งนี้ฉันห่วงอย่างนี้บางทีเป็นปีปีที่เครียดเรื่องผู้หญิงเรื่องเดียว ผู้ใหญ่ดูรู้สึกไงครับโอ้เครียดแค่เรื่องนี้เหรอยิ่งถ้าเป็นสังคมกาเฟสนะถ้าพอโตโปุ๊บถ้าพอมีการมีงานนะจะเอาผู้หญิงกี่คนได้หมดนี่คือยสมัยที่เราอยู่ในยุนยาครับผมไม่ได้ชี้แนะให้ไปทําสิ่งที่หารอมเพียงแต่ผมบอกว่าถ้าเลือกชีวิตแบบกาเฟสเนี่ยไอ้เรื่องที่เครียดตอนวัยรุ่นพอโตมาเนี่ยเราสุบินไลมินซาลิขอมาที่ผมต้องใช้คํานี้ถ้าเป็นคนชั่วช้าลามกอยากจะเลือกนอนกับผู้หญิง ไม่สำน้าได้ในแต่ละวันพี่สาพี่น้องยุคนี้มันง่ายขนาดนี้แล้วบางทีไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องใจ่ายเมากพี่ําแต่พอไว้นิ่งปุ๊บมันไปเครียดฉันจะอย่างงล่ฉันจะอย่างนี้ไหมแต่ผู้ซื้งบางคนก็เหมือนกันฉันจะได้แต่งงานไม่มีใครเอาฉันไมเนี่ยฉันี้มีใครสนไหมพอถึงเวลาแต่งงานปุ๊บมีสติหมดเลยว่าฉันไปเครียดเรื่องอะไรของสันยังไงมุกกรได้แต่งถ้าไม่ได้แต่งมันก็ไม่ได้แต่งมันก็แค่นเรนไม่เจอบททดสอบที่หนักแบบนี้พอแต่งปุ๊บมีเครียดมีเรื่องมีนั้นมีนี่มฉลีนี้ เพราะนเหมือนกันคับชีวิตในดุนยาเราอาจจะมองว่าพันกว่าปีมันนานแต่เมื่ อ, อไหร่ก็ตามที่วันเกียร์มาเกิดขึ้นต่อให้เป็นล้านปีพี่น้องก็จะมองมันสั้นเกือเินในดุนยาเนี่ยโอ้ยทำไมมันสั้นเหือเกินทําไมฉันไม่ยอมเหนื่อยคือเหนื่อยแค่ร้อยปีแค่ร้อยปีทําไมฉันไม่ยอมเหนื่อย บางคนบอแค่60ปีบางคนแค่50ปีเสียชีวิตแล้วทําไมฉันไม่ยอมเนี่ยทําไมฉันไม่ยอมเลือกปีนชังนนั่นผ่าทำไมฉันเลือกแต่ความสะดวกสบายถึงเวลาพวกเราทุกคนนี่แหละครับที่ต้องมานั่งเสียใจว่าทําไมเราถึงไม่เลือกหนทางที่ยากลําบากตามที่อลล็อปบอกใ น, ในชีวิตมันก็ลําบากอยู่แล้วก็เลือกไปเลยสิเลือกลําบากไปเลยสิจะมามัวแต่ อยากสบายอยากสบายโลกนี yes. ้พี chanting, ่น้องพี่น้องอยากจะมีความสุขแค่ไหนพี่น้องไม่มีความมีมีทางมีความสุขร้อยเเ็หรอกมีความสุขมันก็ต้องกลัวเดี๋ยวจะเกิดความทุกข์ถ้ามีความทุกข์เดี๋ยวพี่น้องก็มีความสุขมันก็วนไปเวียนมาวนไปเวียนมาพี่น้องจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามต่อให้ขึ้นไปถึงดวงจันดาวังคารไปมีความสุขสุดๆใช้จ่ายเงินหมดไปเป็นล้านๆกลับมาพี่น้องก็ผอมทบพี่น้องเชื่อมล่ะ กลับมาถึงบ้านก็พร้อมทุกบังทีทุกตั้งแต่ก่อนยังไม่ทันกลับบ้านโดนกักตัวตั้งตรวจโควิดอาติดโควิดอีอ้าวงานเข้าอีกความสุขที่ผ่านมาล้านสิบล้านหายไปแล้วฟ้ก็จะทละก็บ่ามาอดรอแกละก็บ่ว